<c oughs> เราทำตามกันเเป็นพระหูสูตรที่ยินได้ฟังมากมีอนิสงเป็นมุคคลทำในใจด้วยทำทางกายด้วย ดยแลตัวเองให้ถึงพ่อมด้วยความไม่ประมาทมีสติสัมัชชัญญาเป็นดวงตาภายในเป็นหน้าลอกอย่าปล่อยตัวเองทิ้งเพราะมันมีทางออกหลายทาง้าหูจมูกเลื่องกายใจ รูกมีโรสมีกินมีเสียงมีสัมผัสมีอารมณ์หมือกับจับปูเสกะดงก็ว่าได้ถ้าเรามีสติก็ไม่ยากไม่ไปจับตรงไหนไปจับรูอยู่ที่กาย มันก็เป็นที่ลวงลงมันก็รู้้งหมดง่ายง่ายโดยเฉพาะใายกับใจเหมือนกับคำสอนของเน้นน้อยสอน สวันขังโกธิละโกธิละน่ายสอรโกธิละเจนเพื่ที่จบพระใดปิด ก, ดกไปที่ไหนอ่างแต่พระสูตรต่างๆ ที่ว่าไม่ชุดตังเองกังสมอยางพวกข้าไม่มีใครจะจ้จงเขาเอาพระสูตรไปของครูเพื่อนมิตรจนถึงกับคำพูดคนโบราณว่าโอสิยขา่าสิยเี้ยขาแอลเจียนขยุงตี อย่าเอาว่ารีบมาต่อยตีต่างคนเอาแต่ บ, บาลีมาฆ่ามาตีมันก็ไม่ไม่สู้สู้ไม่ได้เอาเกณฑขยวงหมายถึงเอาเกนเ์อท้มาบอกกัน เอเมสุตังเอกังเสยหมายถึงพูดเจ้าแสางดงธรรมที่โน่นที่นี่เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่เคยบอกว่าเนี้ยมีสติดูกายดูใจเนี่ยไม่เคยบอกกันก็ไม่มีใครอยากจะศึกษาด้วยโกทิละจนไปขอเรียนกรรมฐานจากเนนเนเนก็บอกว่า เมฆเหี้ยตัวหนึ่งก็ไปในจอมปวกจอมปวกไม่รูหกรูทําไมจงจับจอมปวกทําไมจงจับเหี้ยได้เหี้ยคือความร้ายความไม่ดีเขาไม่เรียวกว่าเหี้ยแต่เขาเรี้ยกว่าตัวเงินตัวทองเพราเหี้ยมันเลวร้าย โรติลาก็บอกว่าถ้าจับเให้ได้ก็ต้องปิดห้ารูล้วขุดไปตามรูเดียวก็วจับแค่ได้ก็ได้ยินอันนี้ก็โคติลาก็รู้จักไม่ใช่เอาบาลีแล้วไปเอารถถันรดีการกระทาลงไป มีสติดูเห็นจีที่มันออกง่ายออกไวออกเข้าเข้าง่ายออกไวคือภาวะทั้งความคิดต่างต่าก็คอยมีแจววัตตุที่เกิดมีหมูก็ได้มีวัตถุที่เกิดมีเสียง จมูกก็มีแต่กินที่มันมีกลินค่อยได้กินจ่นก็มีเฉพาะที่มันมีเหตุมีสัมผัสรสมันก็ยังมีปัจจัยอื่นแต่ว่าความคิดนี่มันไวคิดได้ทุกอย่างไม่มีวิธีอื่นใดที่จะไปดูแลเรื่องนี้ได้เป็นปิดรู้ตรงนี้ได้ขุดตรงนี้ได้ถ้ามันคิด่ะไรก็ไปกับความคิด ก็เลย อ, ออกไปทางนั่นอยู่เรื่อยมันไม่ออกทางตาทางหูจมกูกเิ้งกายใจเท่าไรนักเอออกทางหูจมกูกเิ้งกายเท่าใดมันออกทั้งใจเป็นส่วนใหญ่ปฏิบัติธรรมที่จะได้บรรลุธรรมมันก็เห็นเรื่องความคิดนี่เป็นเป็ น, ป, นประตูที่สําคัญ จนโอ้ก็ตัวเองว่าต่อไปนี้จะเป็นสุขเป็นทุกข์ความคิดจะไม่มีอีกแล้วเพราะเห็นแล้วต้นตองอยู่ตรงนี้สมุทัยอยู่ตรงนี้สังขารอยู่ตรงนี้อวิชชาอยู่ตรงนี้จึงเกิดความคิดขึ้นมาได้หลายรูปแบบเราจึงมีสติมาดูตรงตรงตรงนี้กัน ใครก็เห็นความคิดไม่มีใครไม่เห็นมีการทุกข่อนความคิดกามหลงเกิดจากความคิดกามสุขความทุกข์เกิดจากความคิดที่เดดตัณาเกิดจากความคิดความคิดเี่มันคิดเพราะมันหลงถ้าไม่หลงก็ไม่คิดสมรู้สึกตัวเป็นการควบคุมเหนือควบความหลง เมื่อไม่หลมมันก็ไม่คิดไม่เกิดทางความคิดั้าถึงก็ยุบไปเลยเหมือนถอนลากแก้วง่ายๆจึงมีวิธีแบบนี้วิธีปฏิบัติทำแบบนี้ความคิดไม่อยู่กับการเท่ากับเจร อ, อยู่กับเพ่กับไว นาทีนี้กายใดอยู่กับชีวิตทุกชีวิตคือความคิดเนี่ยมันเคยจากกิจใจเนี่ยมันมีเป็นนามธรรมรูปวัตธรรมมันเป็นเบือสองเขาเขาเป็นเบาวเป็นทากความคิดเป็นนายของกายความคิดเป็นนายของรูปหรือนามนธรรมบางท่านที่ไม่มีตัวไม่ตน ม, มันก็เป็นใหญ่ มีอำนาจสำเร็จได้ด้วยใจทำชั่วก็สำเร็จได้ผิดินผิดทางด้วยใจเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่มีใครปรับโทษจนแต่ความผิดไม่เป็นทุกไม่เป็นโทษต่อสารโลกขอถ้าจะผิดฉินต้องทำที่กายต้องเป็นคำพูด แต่ไม่ได้ปรับที่ใจที่เหมือนคิดก่อนที่มันจะพูดก่อนที่มันจะทำเคยจาความผิดก่อนไม่มีใครปรับาการต้องอาบัดก็ไม่มีใครปรับตรงนี้แต่ต้องเห็นวัตถุที่ผิดอาบัดพร้อมด้วยวัตถุพร้อมด้วยบุคคลพร้อมด้วยเวลาเรียกว่าอาธิกรต่โตหน้าสง ได้ยินว่าเธอพูดอย่างนั้นได้ยินว่าเธอพูดอย่างนี้ได้เห็นเธอทำเห่างนั้นได้เห็นเธอทำอย่างนี้โจดได้อันได้คำว่าได้ยินได้เห็นเธอคิดอย่างนั้นได้เห็นเธอคิดอย่างนี้ไม่มีใครพูดประปะับไปได้เธอทางปฏปิบัติเ็ปรับกันโทกเลบปรับกันปรับตัวเองเห็ดลาบ ไม่สติมันเห็น<ม>เห็นที่มันลัวคิดที่ใดๆมันโศกกลกถ้าเป็นศีลก็ด่างแล้วพ้อยแล้วน<ม>ักษาตรงนี้มันจึงเป็น<ม>รวงถูกต้องขึ้นมาเป็นวิชาเพราะ เมื่อรู้ตรงนี้แล้วมันก็มีสังขารเมื่อไม่มีสังขารก็ไม่มีวิญญาณเมื่อไม่มีวิญญาณก็ไม่มีนามลูกเมื่อไม่มีนามลูกไม่เปิดปัสสาก็ไม่เกิดเวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดรูปธาตุไม่เกิดภพไม่เกิดชาติไม่เกิดชนามวนะ โฉกไปเทวาทุปแล้วก็ย้อนกับเข้าที่สู่ธรรมชาติแต่มันมีอวิชาคืคอไม่รู้ก็ ม, มีสังขารเมื่อมีสังขารก็มีวิญญาณวิญญาณก็มีนามลูกเมื่อมีนามลูกก็มีอายตนะาเมมีอายุนณก็มีพัจจะ ก็มีภาษาก็มีเวทนามื่อมีเมเมื่อมีเวทนาก็มีตัณหาอุทานน่าตัวว่าตนถือเป็นวกเป็นชาติก็มีการเกิดเจตีต่างในวกในชาติเมื่อมีพวกชาติอยู่ในรูปนามารูปอย่างนี้ก็เกิดเป็นรูปนามขึ้นมาเป็นกายเป็นใจขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นตัวกูของกูเป็นฉขเป็นทุกข์ขึ้นมา อันไม่ยากทำมือเป่าไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรมีทำได้ทุกคนเราจึงทำแบบนี้กันนั้นเป็นจากนิ้ยัยจริงการปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวกับบุญวาสนาอะไร ถ้าบุญต้องบุญที่สะดวก่าไม่ตลาดไม่ไหวสายบัวไม่เน่าไม่เปืดอเพื่อยเรยมากทำได้อยู่เจ้าตลาดหวสายบัวเน่าทำอะไรก็ไม่ได้ จะมีความคิดก็ไม่รู้จะมีสติก็ไม่รู้อายุเมือก็ไม่รู้ก็มีเหมือน ก, กันบางคนเพราะมันเปิดเพื่อนมากเ <c oughs> จผิดมาใจชีวิตผิดผิดมา <c oughs> เมื่อมันผิดว่าเป็น <c oughs> ปีนพวกขาวหมูไม่มีแรงที่จะไป <c oughs> ถลุงออกได้ อย่าเพิ่งอย่าเพิงให้ตลาดวายใสบัวเด่าเอาหวานช่เ็น่อเกิดความรู้ใชยชีวิตให้เกิดความรู้หรือว่ายังไม่เน่ายังไม่วายยังขายได้อยู่มีคมอยากรู้ว่ารดก็รู้ได้ บางที่เรียกว่าสุขสุขสุขสุ ข, สขนั่นเป็นภาษาคน<ล>ไ ม, ม่ภาษาอะไรที่พูดแบบภาษาคนจะเรียกว่าสุข<ล>จริงไมันต้องเรียกว่าสุ ข, สขโอทุกหมดไปทุกเส่นขนเห<ล>มือนหลองตาพูดว่านักษาะขี้กกใหายไปแล้วลไม่ต้องเกา ภาษาโลกเ้าเขาเกาเรวดุลโดนทางตาเกาทางหูเกาทางจมูกเกาทางลิ้นเกาทงกายเกาทางใจเท่าไหร่ก็ไม่พอกินหว๋อมๆพร้อมจบพอกถงไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่ม ไม่จดเบื่อเกมืกทางตาเราทางหูเราทางจมูกเราทางลิ้นเราทางกายกับทงังใจนมมันมีขี้กายจมก็ต้องใช้ฝจกใจซศกซอกซอ ก, ซอกหามาออาหารถ้าเป็นอาหารก็อาหาหกทาง จะเลี้ยงไว้หรือตาก็ากาไปเกณฑหูก็ไปเกณฑ์ตาโมก็ไปเกณฑ์เล่นก็ไปเกณฑกายเอาไปเกณนใจเอาไปเกณฑ์หาสิ่งที่ชอบเรื่อง <c oughs> มันนั่นเลยว่าละเอียในเรื่องที่เขาชอบในรูปในรสนรัยเสียงเขาก็บอกเขามีความสุข นั่นก็ี้กียกาก้าหลังจาที่กา ก, ก, ก, ากอันนี้หายไม่ต้องเก่าหมายถึงอ่ะมันหายไปแล้วไม่ต้องเก่าจะเรียกว่าสุขก็ไม่ได้จะเรียกว่าทุกข์ก็ไม่ได้ตอนนี้มันเป็นสุขธรรมชาติยิ่งใหญ่ ธรรมชาติยิ่งใหญ่ปุถทุกอย่างเทนสู่ธรรมชาติมันเลยไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่หวั่นไหวนี่คือจะเรียกว่าของสุขธรรมชาติทุกหมดไปทุกเช่นขนมีเกิดขึ้นจากการกระทําแบบนี้ไม่มีวิธีใด ชื่อหาก็ไม่ได้ต้องศึกษาเอาเองตัวเองศึกษาปฏิบัติด้วยตนเองโธก็ไม่ได้อ้อนนอนไม่ได้ต้องมีการกระทำหรือว่ากรรมฐานแบบนี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มี ถ้าเจะที่บวกกานการมันก็ไม่มีบางทีก็บางคนก็เบื่อหน่ายอยู่กับความสงกอยู่ไม่เป็นเพราะมันเคยมีรสชาติในรูปในรสในกลิ่นในเสียงตัวมอรู้สึกตัวก็อาจจะถูกลบกวนมาเป็นทุกข์งว n ข้ o n เทีย่ย ว่าไม่เคยกินม่นเคยแต่การสมผัเิน่อไม่สมบัติอะไรก็ไม่เคยกินอยู่ไม่ได้ก็มีเหมือนกันบางชีวิตบางชีวิตก็พยายามหันไมะติปุรีก็อยู่ไม่ได้ น่าไม่สุบุรีก็ก็ยเอาแล้วพอมันติดมามันมีอาหารแบบนั้นพอติดเสียงมาก็มีอาหารแบบนั้นอยู่นิ่งไม่เป็นบริโภคบ้างเดี๋ยวนี้ยิ่งบริโภคบ้าง าทางหมายปากบางที่โตสอบมือถือเอาหูเอาเครื่องฟังใส่หูห้อยคอพลงพลังตลอดเวลาในโตสอบก็ต้องมีเสียงเพลงเสียงอะไรตลอดเวลาเดือบวนรถบนเรือ ไอ้วนเครื่องบินก็ยังมีเครื่องหวังใส่หูเวลาเราขึ้นเครื่องบินก็จะเอาซโฟวมาให้ใช่ไห ม, ไหมเร็วซอฟเวอร์รู้เีเร็วแล้วก็มีแจ็คอยู่เนี่ยอยู่ที่มือเนี่ยเ <c oughs> สียบซอฟเวเข้าไปแจ็ค <c oughs> ที่ พนักพิงที่มือเนี่ยถ้าอยากจะให้มันตังก็มีกดหมุนร อ, อยลูมมันล้วก็เกิดแสงเปลี่ยนได้ถ้าอยา ก, ยากเห็นลูกก็กดดูจอทีวีคอมพิวเตอร์บนพนักหน้าอยากดูอะไร ดูดังเรื่องใดกดเอาอยากเห็นเครื่องบินบินไปทางไหนกดเอาผ่านประเทศใดกดเอาอยู่ไม่เป็นเพราะมันติดเอมาให้สงบตรง น, นี้มันไม่เอามันก็เลยความพร่องซ่านคําเตียดง่วงเหงาหอ น, อนเพราะมันยังไม่เคยมาลอยจับสัตว์มาหัด ไม่เคยจับไม่เคยถูกเชือกมันไม่ชิ้นเชือกแล้วก็ดิน้นแล้วจะเปรียบเหมือนจิตใจของเราเหมือนวัวถืกนะวัวถึกรู้จักวัวถึกโคถืกไหมโคโตดโคเถึกอเมื่อแต่มั น, มนจบได้อยู่ไม่ที่จับอยู่ ก็หลอกล่อาจนจับหัวจับด้านมันก็ดิน้นมันดินด้นดิ้นมันวิ่งแรงแล้วก็สู้ไม่ได้คนที่จับมันก็สู้มันไม่ได้มันแรงก็ต้องปล่อยมันไปก่อนย่อนหย่อนไว้ก่อนย่อนไ ป, อ, น <c oughs> ย อ, นไปอย่าเพิ่งไปสู้ย่อนไปแล้ว ดิ่นไปพอสมควรเราอยดึงค่อยดึงขึ้นมาหลายข้างหลายหอนเราก็รู้จกรสชาติของการดึงแล้วก็หารไปในตัวมันไปที่ไรก็ย้อนไว้แล้วก็ดึงกลับมาพอมันดึงกันเวลามันไปดึงอย่างแรงเนี่ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาข้างเคียดได้ง่าย เราจะเลาปฏิบัติเรว่ตึงเพื่อจะย้อนย้อนเพื่อจะตึงถึงข่มันตึงหน้าก็ย้อนไปเหมนคนเล่นเว่าวถ้าเล่นเป็นเว่าวจะไม่ตกแต่าลมพัดแรงว่ามันกินลมแรงก็โดดมากถ้ามันโดดมามากก็ต้องย้อนไปสักหน่อยถ้าไม่ย้อนมันเชื่อมบันคาด ถ้ามันหย่อนมากก็ต้องเสาเชื่อกเข้ามามันจะตกอะไรรับลมจิต <c oughs> ใจก็รอยถ้าเราฝึกก็มีแบบนี้เหมือนกันตึงเพื่อหย่อนหย่อนเพื่อตึงเวลามันคิดหลงไปรวมหย่อนเพื่อลายตามใจไม่เป็นลายเกิดแล้วแค่ใบ ในสติขึ้นมาไม่ออกมาถึงใจที่มันไม่ชอบถ้ไม่ชอบในที่มันหลงมันตึงเกินไปชอบในสิ่งที่ไม่หลงมันก็ย่อนเกินไปมันชอบมัไม่ชอบไม่ใช่แบบนั้นเหมือนผิดเหมือนถูกไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าเล่นนี่คือเห็นมันผิดเห็นมันถูก ผู้ที่เล่นน่ะมันมันจะหัดอะไรได้ง่ายถ้าทำแบบนี้อสอนจะเป็นสอนจสอนวัวสอนควายก็ก็ออกแบบนี้กันลองต่เพื่อว่าสอนม้าที่มันวิ่งเก็บลกูกวิ่งไม่เป็นแล้วิ่งผิดก็ไปเคี่ย น, ม, นมันก็ระวังกันไป ความผิดใจก็ดิ้นแรงกวาจะโถเขี้ยนประโยชน์ตรงนั้นเราก็ประโยชน์ตรงมันผิดเอาผิดเป็นผิดมันก็ประโยชน์ยากเป็นยากไปแล้วเป็นไใโชอบไปแล้วถ้าถูกเป็นถูกก็เป็นความชอบไปแล้วเป็นไปอีกด้านหนึ่งเดินบวกเป็นลบ ผู้ฝึกตนสนตนต้องรู้จกจิตลาปะสักดนอยออกเงียไว้สเสมอตับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอทุกทุกช่องเป็นตาเป็นหูจมูกรื่นกายใจก็มีความพร้อมไปมพร้อมๆกันบางทีก็ปรับ ป, ปายที่ท่านนั่ง บาปใบหน้าบาปบ้านเดียวทำใจมีศรัทธามีความเพียรมีความอดทนมีสติมีสอบแข่งมีสมาธิอย่าให้ความสุขเป็นความสุขอยาให้ความทุกข์เป็นความทุกข์มันหวั่นไหวไม่มีสมาธิสมาธิจริงๆสุขไม่เป็นสุขทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ท่านนั่งสมาธิหมายถึง สติปัญญาเปแล้วไม่ใช่อริวัของลูกไม่ใช่ท่านั่งถ้ายืนก็ได้ถ้าเดินก็ได้ถ้านอนก็ได้สมาธิเนี่ยไม่เป็นอะไรนั้นโสด ก, ก็ก็เห็นวันสุดไม่เป็นผู้สสดนี่หรือว่าสมาธิ เห็ทุกเห็นบรรทุกไม่เป็นผู้ทุกนี่ชีวะสมาธิมั่นคงไม่หวั่นไหวเฉพาะเรื่องไม่ทำให้ความสุขเป็นสุขไม่ทำให้ทุกข์เป็นทุกข์เอาสุขเป็นสุขทกเป็นทุกข์ไม่ใช่สมาธิแต่สมาธิที่เป็นตัวถลุงที่เกิดปัญญากำจัดกิเลสนั้นเป็นสมาธิแบบนี้ให้เสีวะสมาธินั่งหลับตา ไม่ใช่แบบนั้นสมาธิที่ไปสู่มอกสู่ผลสมาธิที่เป็นฉิบหาที่เป็นศีลํจาจัตเจริญไม่เป็นสมาธิแบบนี้ถูกต้นสอนต้นกือทาแบบนี้ไม่ใช่ตั้งใจจนจะให้มันผิดไม่ให้มันอยากให้มันถูกบางทีก็ไม่ปัญหาพวกถูกบางทีก็มีปัญหาวความผิด เสียดายเวลาไั่สองบก็เ ส, สียดายความสงบวันหลังไม่สองบชั่วโมงหน้าไม่สองบเสียดายเกิดพุ่งซ่านบางทีทาไปมาสงบเกิดกิเลสตัณนาขึ้นมาก็หาว่าเราไม่ค่อยมีผลเป็นทุททอออกข์ให้ควาผิดเป็นทุกข์ให้ควาถูกเป็นสุข ไม่ใช่ปฏิปธรรมโดยเฉพาะสติปัฏฐานเนี่ยท้าเจ้าก็สีเช่นไว้อย่างรอบคอบแล้วต่อจะมีความสุขคงทุกข์แสดงว่าสุขสุ ก, กับทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนก็อบอกแล้วเราจังดื้อเอาสุขปันสุ ข, ขอทุกข์กนทุกขอ์กขอยูอ่ ถ้าใครอยังเอาสุขเป็นสุขเอาทุกข์เป็นทุกข์เป็นาคนดื้ออยู่ถ้าเห็นมันไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์สอนความสุขความพอใจความไม่พอใจออกมาสุขทุกข์เป็นโลกอย่างน้อยหนีจากโลกโตมาแย่กุญแจไม่ไขต่อไปเราจะชำนาญถ้าเราหันหน่ะมันทําได้ สุขไม่เป็นสุกสุขเป็นรูปไปทุกข์ไม่เป็นทุกข์สุขเป็นรูปไปนี่กฝึกตนสอนตนอย่างนี้่จึงจะเรว่ากรรมฐานมันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้จนทำให้สุขไม่เป็นสุขศักดิ์สิทธิ์ทำไม่ทำให้ทุกข์ไม่เป็นทุกข์วยศักดิ์สิทธิ์จึงอยู่เหนือ จริงจะเป็นการเหนือกานเิดเจ็บเจ็บตายเหนือโลก oh. คือภาวะอันนี้ไม่หนีไปไหน <Okay. S 2> ใครก็ก็หัดได้ <Okay. S 2> ไม่ต่างกันสุขก็เหมือนกันทุกก็เหมือนกันแต่ความไม่สุขก็ไม่ทุกเนี่ยภาวะนี้ก็หัดได้ <Okay. S 2> ไมีได้เหมือนกัน เราหลายๆอย่างประกอบมัมีศรัทธาบ้างในเวาวันสุขวันทุกข์มีศรัทธาที่จะไม่สุขไปทุกข์ก็ไม่สุขไว้ทุกข์ก็มีอย่าไปศรัทธาความสุขอย่าไปลังเกียจความทุกข์ศรัทธาจริงๆไม่ใช่อยู่แบบนั้นศรัทธาสัมปยุปยปยปยทธ์ศรัทธาวิปยุทธ์ศรัทธาวิปยุทธ์ศรัทธาหัวเต่ ถ้าดีก็เอาถ้าไม่ดีก็ไม่เอาอ น, นั่นศรัทธาแบบนั้นศรัทธาหัวโตปุดเข้าปุดออกบางข้างก็นาวน่าเบือ้อบางข้างก็เยี่ยมแจม่มใสถามดูทำไมจังเป็นยังไงหมู่นี้มาค่อยดีอาลมณมาค่อยดีไม่ใช่แบบนั้น ไม่มีศรัทธาต่อความภาวะที่เห็นอ น, นํนจะได้แก้ไขเห็นแล้วเห็ น, เ ห, นเห็นช่องเห็น ท, ที่เห็นทางที่มันทําให้เกิดสุขกับทุกข์ง่ายง่ายกว่าสุขกว่าทุกข์สุขทุกข์มันมีรสชาติอันภาวะที่เห็นเนี่ยมันง่ายๆมันเรียบเรียบมันเรียบเรียบ ถ้าจะเป็นทางก็ทางเรียบเรีย บ, ยบกว่าสุขเรียบกว่าทุกทุกมันยังไม่คืนสุขยังไม่คืนไปทุกข์ไเถื่อนเท่าเท่ากันพลังงานหมดไปเท่าเท่ากั น, งงนหัวรก็บร้องให้เหนื่อยเท่าเท่ากันใช่ไหมหัวรอกจนเหนื่อยร้องให้จนเหนื่อย พลังงานหม ด, หมดเท่าเท่ากันเลีวย <ปะ S 1> มันไม่จริงอะ่ะความสุขก็ไม่จริงความทุกข์ก็ไม่จริงหรอกตอนครไม่เป็นไรเลยมันจริงกว่าไม่หมดพลังงานเดี๋ยว่าหน้าฐานของของชีวิตตัวได้ ให้อยู่กับเราดีละ่ะลอง ด, ดูดีๆเอี่ยงหูฟังสัมผัสสัมผัส ด, ดีๆสัมผัสความสุขสัมผัสความทุกข์สัมผัสความไม่สุขสัมผัสความไม่ทุกลองดูให้เห็นลองดูภาวะที่เห็นคือภาวะที่รู้นี่แหละรู้สึกตัวห่ะแต่ภาวะที่รู้สึกตัวมันจะกลายเป็นภาวะที่ดู ที่แรกก็เป็นภาวะที่รู้รู้เฉีนเข้ารู้สึกเกีย่ยเฉียนออกรู้สึกทําไปทําไปจะดูเป็นหายเข้าว่าพูดหายเจาะว่าโทรูโทต่อไปไม่ไม่ได้ว่าเลยมันจะเป็นภาวะที่รู้เข้าไปภาวะที่รู้ตอนนี้ก็เป็นภาวะที่ดูเข้าไป ไม่มีใครว่าพุทธโธพุทธโธอยู่ตลอดเวลาเฟืองใหม่มันก็บดไปขับพุทธโธเป็นเบื้องต้นเป็นนิมิดที่เกาะจับไปนิดนิดเดอนใหม่เบื้องต้นก็มันเป็นเดิมมันชำนาญก็ไม่ต้องจับเราจึงมีโอกาสเป็นได้เหมือนเราเคยทำว่า แต่ก่อนก็จบหนังสือก็ทำไปทำไปนานก็ไม่ต้องจับเพราะว่ามันติดแล้วมันเป็นแล้วมันบอกถ้าว่าพูดก็ต้องมีโทรอยู่ข้างหน้าไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าหนูจัง ขินขินทางนี้จำนานจำนานในทางจำนานเฉพาะทางตรามเจงด่างเพราะเคยเคยเคยผิดเหมือนที่จำนานแล้วก็ไม่ผิดถ้าเคยผิ ด, ผดไม่เคยทำให้มันไม่ผิดสุขนสุขทุกข์เป็นทุกข์ ไม่ชำนาญก็ไม่โศกไม้ทุกข์ตอนนี้ต้องหัดกันอย่าให้โอกาสมันผ่านไปเวลอมันทุกข์มันได้บทเรียนเวลอมันโศกมันได้บทเรียนเวามันโกรธมันก็ได้บทเรียนเวลามันหลงก็ได้บทเรียนบทเรียนจากเหตุจริงม่เหตุก็มีผล สาธิบุตรบรุธรรมเท่านี้เห็นเห็นทุกเยทำไม่ให้ถูกพระพาวาเนี่ยทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุได้สั่งให้ตุ้งทาขโตหัวจะแก้ก็บเจติเหตุว่าตถาคตเจ้าสอนอย่างนี้ตอนนี้ก็ได้บรรลุธรรม เงินโกรธนั่นแหละเหตุที่มันไม่โกรธย่อยความโกรธความโกรธเหมือนทุกข์นั่นแหละเหตุที่ไม่ทุกข์ย่อความทุกข์ความทุกได้ประโยชน์นั้นหลงนั่นแหละเหตุที่ทําให้เกิดความไม่หลงมันมีมีไปเป็นตลอดสาย นเนือเกิดเหนือเจ็เหนือเจ็บเหนือตายล้วเราเดินเข้าเรกไปโ น, โแบบนู่นอย่างหลงตาผู้ประวันว่ามองขดทำจำดันตรงกระโดโดแต่ <c oughs> กากระโดดไม่เป็นตี ด, ด้มีสันทาแกวก้ากระโดด ถึงอะไะจุดโยอดกอดพระธรรมด้วยหาไทยจุดโยอโกอดพระธรรมด้วยหาไทยมันกระโดดไม่เป็นอะไรแล้วมันหลงไม่หลงกระโดดไ็ง่ายๆถ้าหลงไปหลงเฉย ช, ชาเผลไม่หัดต้นสนต้น เอาอะไรอ้างตลอดเวลาเอาความยากอ้างเอาความไม่อ้างเอาความเบื่อเอาความขยันให้ความขยันพาทำให้ความขี้เกียจพาหยุดไม่ใช่ทําความเพียร น, นั่นทำความเพียรต้องไห จิตเขานั้นจิตเหมือนกับบานลงไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆเรียกว่าความเพียรไม่ให้คลิกความขยันไม่ใช่ความขี้เกียจเราจึงเจ็บลูกลูกตายให้ได้ นักเล่นกีฬาต้องเก็บลูกตายให้ได้ลูกตายคือหลงคือทุกคือสุกอย่าให้สุกเป็นสุกถ้าสุกเป็นสุกปันตายเก็บให้ได้ตรงนี้งั้นเล่นตะโ ก, ก้เล่นกีฬาถ้าใครเจงตรงนี้นะก็เดือดเป็นเข้มได้ เป็นแคบเรื่องชีวิตเราเนี่ยถ้าหลงรู้ถ้อโศกท้ทุกข์รูเ้เนี่เป็นกีลายอดเยี่ยมศิลปะเป็นศาตร์เป็นศีลทั้งศาตร์ทั้งศีลถึกได้โชีวิตเป็นเพื่อนกัน เพื่อนเราก็ไปกันหมดแล้วนะ่ะ <c> ก <oughs> ็เราอย่าเพิ่งไปไหนเน้ออยู่ด้วยกันก่อนโดนใจเดี๋ยวก็จะไปะน่นไปนี่อีกละเดีวนี้เราตาก็แจอ่อาศัยมากๆนะให้มาปฏิบัติธรรมกันนี่ยะ ถ้าเราหลงเป็นไม่หลงอนะ่ะอาศัยได้ถ้าใครทุกข์เป็นไม่ทุกข์อาศัยกันได้ถ้าใครโกรธเป็นไม่โกรธอาศัยได้ถ้าโกรธเป็นโกรธทุกข์เป็นทุกข์อาศัยไม่ค่อยได้หรอกตัวของเขาเองก็อาศัยตัวขเขาเงข อ, งข อ, งงของไม่ได้แล้วแต่ใจเป็นยังไงเขาไม่ใจก็เพิ่งใจก็ไม่ได้คนอนัตตาเช่าไป สามีอนัตตาปัญญาอนัตตาโยกันหรังกะโยกปากเหวข้อเจรูดอยู่ร้วยพะเป็นอนัตตาก็าเป็ น, ปนอนัตตามี่สองแบบนะน <c oughs> ไม่อยากพูดภาษาวาดีนะเป็นคนไม่ไ ม, ไม่มั่นคง คุมร้อยคุมดีจะเรียกว่าอะไรสเปสังขารานอนัตตาติมันไม่ใช่ตัวตนเขายังเป็นตัวเป็นตนแบบนั้นหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธถ้ากูได้โกรธถ้ากูได้ก็เป็นอนัตตาเขาไม่โกรธเขาไม่โกรธเขาไม่มีแล้วเขาไปเป็นผู้โกรธแล้วเขาเป็นผู้ทุกข์ก <c oughs> <c oughs> ็เลยพึ่งไม่ค่อได้ ถ้าจะเพิ่มกันไ ด, <c oughs> ด้เรียกว่าการละยาณนะมิตรเนี่ยการละยานะมิตรเนี่ยหลงเป็นรูถ้าเราอยู่ก็อยที่ทางนั้นไม่คียอยู่ทางนี้ไม่คียอยู่ทางนั้นญาจูอยู่ทนั้นวะสองอยู่ที่นั้นเวลาทุกท่านทุกโลกเปลี่ยนหลงเป็นรูการละยาณนะมิตรกันไม่อยู่ด้วยกันก็จะพึ่งกันได้ ถ้าทุกเป็นไปทุกการละยานะมิดเหมือนกันเราก็เหมือนกันท่านก็เหมือนเราเราก็เหมือนท่านต่างคนต่างเปลี่ยนเปลี่ยนลายเป็นดีด้วยกันละยานะมิตรจะไม่มีวันที่จะแตกเล่าสัมเคีกันนี่คือความรักตัเจ้าเป็นยอดนักรักแบบนี้ ประ ส, ง, สงค์สาวกของพระเจ้าเป็นยอน ด, ดักลักแบบนี้ภิกษุภิกษุณีแม่คีญาโฉมเป็นยอน ด, ดักลักแบบนี้เอาไปมาเป็นคนคนเดียวกันพากันไปถึงมักถึงผลทั้งหมดของพรมจันเลยทีเดียวถ้าเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเปลี่ยนสุขเป็นไม่สุขไปทางเดียวกันแล้วแท้ ไปเอาเองต่างคนต่างไปก็ไปอย่างเดียวกันท่านนี้นะวันนี้นะสำควรเจเวลากับพระพวทธกัน